ันดับตอนนี้ไปพากันตั้งใจตั้งใจภาวนาและก็ตั้งใจฟังให้พร้อมด้วยการปฏิบัติคือมันทั้งสองประเด็น ฟังด้วยและก็มีการปฏิบัติก็คือการกำหนดจิตพร้อมกับการฟังไปด้วยเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับที่เราได้พากันมามาฟังถ้าเราไม่ฟังเราจะนั่งคนเดียว จิตมันก็พุ่งมากจิตมันก็ป่วนปั่นมากจิตมันก็ลำคาญมากถ้าไปนั่งคนเดียวจึงในอาศัยการฟังแล้วก็พร้อมไปด้วยโมณะที่มาร่วมกันฟังความตั้งใจของเรามันก็จะเพียรพร้อม ไปด้วยการฟังและด้วยการปฏิบัติก็ยังมีส่วนที่จะให้มีความจุดยัง้งช่างน้ำนับในด้านการปฏิบัติและด้านการฟังไปด้วยถ้าเราจะปล่อยให้มันไปโดยลำพัง มันก็จะหาที่หยุดยั้งไม่ได้เพราะฉะนั้นเราการฟังนะก็จึงมีประโยชน์และพร้อมไปด้วยการปฏิบัติมันก็มีประโยชน์เพราะในครั้งพุทธการนะเราก็ทราบดีกันอยู่แล้วนะตอนที่พระพุทธเจ้านะ ออกประกาศประกาศาสนาเบื้องตน้นก็เพราะอะไรล่ะก็เพราะการฟังนั่นแหละก็พระองค์ไปแสดงให้เขาฟังเมื่อเขาฟังจบธรรมเทศนาแล้วเขาก็ได้สำเร็จในขณะนั้นขณะที่ฟังจบนั่นแ่ะแต่ละองค์ละองค์ ที่ในสมัยนั้นอันดับแรกก็ไม่ได้ไปปฏิบัติให้ลําบากไม่ไปอยู่ในห้องนั้นไปอยู่ในห้องนี้ไม่มีคดนั้นไม่มีคดนี้มีแต่เพียงว่านั่งจะนั่งฟังแล้วก็ตั้งใจฟังแล้วก็กําหนดไปตามตามความเป็นจริงที่พระพุทธจเจ้ากล่าว พอจบธรรมเทศนาจนั้นะจะเห็นเดีสําเร็ิในขณะนั้นนั่นหละการเผยแพร่การเผยแพร่ศาสนาของพระพุทธเจ้านะช่วงระยะที่าชาอยู่คำสอนก็คงจะไม่มากและก็จะไม่ได้ประโยชน์มากก็จริงได้ ให้ความสําเร็จแก่บุคคลผู้ที่มาฟังนั้นได้โดยง่ายที่นี่พวกเรานะ่ะก็ไม่ถึงจะให้จะสําเร็จด้วยความเป็นมรรคและเป็นผลถึงขนาดนั้นสําเร็จด้วยความรู้บางอย่างสําเร็จด้วยความสงบบางอย่าง คือเราต้องการความสงบเพื่อจะได้ระงับปัญหานะเพราะเราทุกคนนะแต่ละคนนะ่ปัญหานะมันท่วมทน้นแต่ละคนนะไม่รู้ว่ามันมีกี่ปัญหาไม่รู้ว่าปัญหาอะไรทั้งปัญหาในตัวเองแล้วก็ทั้งปัญหาลอกตัวเอง ทั้งปัญหาภายในบ้านทั้งปัญหานอกบ้านมันมักจะมีหมดนะมักจะท่วนทับทับหัวใจของเราน่นะจนไม่รู้ว่าเขาจะรับเดกหามปัญหานั้นได้โดวยวิธีไหนนะ บางทีก็ถึงกับลำบากเพราะฉะนั้นเราคนอ่ะในเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นมันไม่มีทางออกบางคนก็ถึงกับว่าข่าตัวตายนะก็โดดตึกตายบ้างก็โดดสะพาน ในแม่น้ำตายบ้างอะไรบ้าง น, ะนี่มันทางออกก็เพราะปัญหานะ่ะมันเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นมากแนระ้วมันเหลือวิสัยนะ่ะเราก็จะไปโทษเขาก็ไม่ได้นะไอเรื่องของปัญหานะ่ยมันโทษกันไม่ได้เนาะมันข้าวจำเป็นจริงๆนะ่ะแล้วมันก็จึงได้เป็นนะ แต่เราก็ไม่ถึงขนาดนั้นและมันก็ไม่ถึงขนาดที่จะเป็นไปได้ทุกคนอมันก็เป็ น, เ ป, นเป็นบางคนบางขนาดจิตอันประกอบไปด้วยของเก่าของเขาด้วยนะะรรว น, วยน ะ, ะก็เรื่องกรรมเรื่องเขาด้วยนนะแต่จะพูดถึงหราเรื่องกรรมเรื่องเวร น, นะแต่เราก็จะเอามาแก้ปัญหานะ่ะ ได้แก่วความสงบเนีนะ่หรือว่าความรู้ของเราเนี่ยนะที่เราได้ยินได้ฟังไปนะเราจะเอามาแก้ปัญหาเพราะมันปัญหาแต่ละคนนะความคิดนะมันมันไม่มีเวลาที่จะพักก่อนมันไม่มีเวลาที่จะหยุดยั้ง นอกจากว่าเราจะมาฟังธรรมเท่านั้นมาปฏิบัติธรรมเท่านั้นพอที่จะมีโอกาสที่จะได้เบาบ้างที่นี่การฟังเราก็อย่าฟังไปเฉยโดยที่ว่ามันไร้ประโยชน์เราก็กำหนดจิตของเราไปด้วยนะจิตของเรานะ่ะมันอยู่ตรงไหนที่มันหาผามเอาปัญหามานะ มันหาผามเอาเรื่องมานะ่มันห่อเอาเรื่องมาเนะ่มันเต็มบกอยู่นั้นนะดีนะมันไม่ระเบิดนะมันมีทุกคนนะนั้นเราให้กาหนดเข้าไปดูกันบ้างนะเราจะไปดูแต่ภายนอกและเราก็จะไประงับแต่ภายนอกเราก็จะไป ตรวจดูแต่าภายนอกแต่าภายในละ่ะของเรา่ะมันเราไม่สำรวจดูละ่ะแล้วเหตุการณ์อันที่มันจะเกิดขึ้นมันจะสงบระงับได้ได้อย่างไรละ่ะทั้งทั้งที่เราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นเรื่องของคนอื่น แต่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราสกนิดบางอย่างแต่มันก็ยังเอามาคิดนะให้เกิดความพศาศุ่งซ่าตและมันก็ยังเอามาคิดให้เกิดความร้อนในตัวเองได้ทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องของตัวเองอย่างนี้มันก็เป็นได้นะนี่มันเรื่องของจิตเพราะฉะนั้นเราพระพุทธเจ้าก็ท่านจึงสอนนะ ใส่จิตตมโนรักษานะก็จงตามรักษาจิตของท่านนะก็พวกเราก็พากันตามรักษาบ้างสนะิมันไม่ได้รักษาจิตตัวเองนะมันมีแต่ไปรักษาอะไรนะของภายนอกเนะี่แต่ของภายในเนี่ยมันปล่อย ป, อยปะละเลย แล้วมันมักจะหอบเอาเรื่องภายนอกกันมานะเข้ามาทับเข้ามาบีบเข้ามาบังคับหัวใจตัวเองแล้วพอเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาก็โดยมากมันเป็นอย่างนั้นนะที่นี่เราจะแก้โดยวิธีไหนล่ะองค์สมเด็จพระพูทมีพระพาเจ้านะ่ะ ที่พระองค์ไปสอนแบบและเที่ยวประกาศพระศาสนาน่ะพระองค์ก็สอนในแก้ภายในนะนะทั้งๆที่เขาก็เดือดร้อนกันทั้งประเทศนะเดือดร้อนกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะ่ะเขาก็เดือดร้อนกันอยู่แต่พระองค์ก็ไปสอนว่าบุคคลผู้ที่สอบวรสอนนะนะผู้ที่มีศรัทธา ก, กับพระองค์นะ แล้วก็ให้ได้ผลขึ้นมานะแล้วก็ให้ได้รับความสงบขึ้นมานะความสงบรัวก็กเกิดขึ้นจากบุคคลผู้นั้นแต่ความวุ่นวายของโลกนะ่ะมันก็วุ่นวายของเขาอยู่นั้นนะ่ะแต่พระองค์ก็มาได้บอกให้คนคนนั้นนะ่ะให้ไปปราบในเมื่อตัวเองซึ่งมีความสงบแล้ว เอาความสงบของเราเนี่ยเอาความสำเร็จของเราเนี่ยที่เราสอนนี่นะให้ไปปราบเขานะให้ไปทำให้เขาได้รับผลนะไปทำให้มันสงบแล้วไประงรับเรื่องอะไรต่างๆนะกระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ได้สอนนะพอคนนั้นสำเร็จแล้วสิ้นแล้วซึ่นอาสวะ พระองค์ก็อุปสมบทให้นะ่ะก็ในขณะนั้นนะพ่ออุปสมบทแล้วพระองค์ก็ไล่ไล่ให้ไปประกาศพระศาสนานะี่ยจะไปทางจิตไหนก็แล้วแต่ละแต่พระองค์ก็ให้ไปแต่ความวุ่นวายของโลกมันก็วุ่นวายอยู่ด้่นลนะแต่ท่านก็ยังให้ไปประกาศพระศาสนานะก็เพราะความสําเร็จ สำเร็จในตัวบุคคลที่นี่เราก็เอาความสำเร็จในส่วนบุคคลคือในตัวของเรานี่นะถ้าเราสงบเราก็เหมือนกับบ้านเมืองสงบเหมือนกันนะก็เพราะเราไม่ได้ไปวุ่นวายเนี่ยเพราะเราไม่ได้ไปทำให้เขาวุ่นวายเพราะเราไม่ไปทำให้เขาเดือำบาก ก็มันสองอบโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปทําความวุ่นวายให้แก่เขานะ่ะมันก็สองอบแล้วเนะี่ยส่วนอื่นๆล่ะก็มันเป็นเรื่องของคนอื่นเราจะไปปราบได้หรือมันก็ปราบไปได้เรื่องต้นมันก็ต้องปราบเราก่อน อยากไปอาศัยแต่ความอยากให้มากนักเอาความเป็นอยู่ของเราเนะี่ยให้อยู่สบายก่อนนี่ไหมครัก่อนที่จะให้คนอื่นเขาสบายก่อนที่จะให้คนอื่นเขามีความสุขทั้งทั้งที่เราก็ยังหาความสุขไม่ได้แต่ก็อยากจะให้เขามีความสุข ทั้งๆ ท, ที่อยากจะให้เขาดีแต่เราก็ยังไม่มีอะไรที่จะดีที่จะเป็นสักขีพยานที่จะให้เขามีความดีก็เราเราจะพาเขาทำอย่างไระเขาจึงจะได้ดีมันมีปัญหานะที่นี่จะเอาอะไรไปไ ป, ปราบัเราจะเอาอะไรปราบกิเลศ สตราอาวุธที่จะไปปราบกิเลสมันไม่มียาที่จะปุุงแต่งขึ้นมาเพื่อจะเอามารับประทานก็ดีเพื่อจะเอามาหนวดฟันขันบาร์ทาทาก็ดีก็เพื่อจะให้กิเลสนะมันมันหมดไปและสิ้นไปเพราะยา มันก็ไม่มีอีกละจะสร้างสตราอาวุธขึ้นมามากมากเพื่อจะไปหาปราบกิเลศเพื่อจะให้จิเลศมันหมดมันก็เป็นไปไม่ได้อีกก็ยิ่งเพิ่มกิเลศขึ้นไปอีกมันไม่มีอะไรที่จะไปปราบมันได้หรอกไอ้เรื่องปราบจิเลศ พระพุทธเจ้านะั่นที่มาตรัสรูนะ้นะั่ะกี่ร้อยพระองค์ไปแล้วนะ่นแต่ละองค์ละองค์ก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็รู้เหมือนกันเรื่องอันนี้จังก็ดีคือเกิดแก่เก็ตายนะั่ะทุกขังก็ความเป็นทุกข์อนัตตานะี่ยละองค์ก็รู้อยู่แล้วนะั่ แต่มีท่านองไหนหละปราบปราบอ น, นิจจังให้มันหายจากโลกไปได้หายจากความเกิดไปได้ไม่มีซักองค์เดียวองไหนมาก็มีอ น, นิจจังนั่นะเป็นต้นเหตุให้ตัดสรูนะนะองค์ที่ปัจจุบั น, นที่เราได้ยินได้ฟังกูทุกวันเนี่ย ท่านก็อาศัยอนิจจังนั่นแหละเป็นเหตุนี่รดสือเป็นพระพุทธเจ้านะถ้ามันไม่มีอนิจจังมันก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเนะี่ยถ้าไม่มีความวุ่นวายมันก็ไม่มีสงครามนะนก่อนที่จะมีสงครามก็ต้องมีความวุ่นวานยะ สงครามภายในเนี่ยสงครามก็คือกิเลสเรานห่ะนะที่มันทำให้วุวะนะ่นวายอ่ะะทีนี้เราจะเอาอะไรไปปราบมันลนะ่ะสตราอาวุธยุธทธอปกรณ์เอายาเบื่อยาเมาเพื่อจะไปปราบกิเลสแต่มันที่ไหนนี่ มันเป็นไปไม่ได้นะมีแต่พระพุทธเจ้าทั้งกันนี้เองนะแล้วพระองค์ก็เอาสาวก ค, คนไหนพอจะเอาได้ก็เอาไปก็เอานี้เองกันนี้กันนี้ภายในนะนะั่นแหละอันนี้มันพูดตามความจริงเนะียกับพระองค์ก็มิแต่ห น, นีนะพระองค์อยู่ปราบเมื่อะไรนะ่ะ ทนี่เราคิดว่าจะไปตามท่านหรือไม่มันปัญหามันอยู่นั้นนะตามพายุคนระบาดนะตามพายุคนระบาดตามโดยวิธีไหนนะ่ะพระพุทธเจ้าสัทธาองค์ไปโดยวิธีไหนพระองค์ไปด้วยความสงบไม่ได้ไปด้วยความวุ่นวายนะ ไม่ได้ไปด้วยความเอะอะบุ่นวายอะไรนะท่านไปด้วยความสงบการหนีโลกก็ห น, นีด้วยความสงบก็ไม่อยากจะให้ใครรู้ น, นะแต่มันก็จำเป็นมันก็ต้องรู้กับคนนะถ้าเราไปด้วยความสงบ ตามความสงบเหมือนพระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไวานะ้เนี่ยแต่ก็ไม่ถึงกับที่จะให้สาเร็จหรอกเอาแค่ความสงบไว้ก่อนนะแล้วความสงบนั้นนะจะบอกเหตุบอกผลอย่างไรเราจะได้เหตุได้ผลจากความสงบนั้นอย่างไร เราจึงค่อยว่ากันตามหลังสิจะ ต, ตามพระยุคคนระบาดของพระพุทธเจ้าเราก็ค่อยว่าที่หลังสิจะ ต, ตามเส้นทางของพระอริยเจ้าทั้งหลายก็ค่อยว่ากันที่หลังก็ขอให้มันสงบเสียก่อนสิคือให้มันเห็นดีในความสงบเสียก่อน แล้วกมันเห็นความสุขในความสงบสก่อนเห็นความสบายในความสงบสก่อนแล้วเห็นหนทางอันที่เราจะดำเนินไปด้วยความสงบสก่อนอันนี้มันไม่มีอะไรนะมันได้แต่เมื่อตื่ตตนๆะไอ้รู้นะมันรู้นะ มันก็เมิท่ทช่างๆที่รู้นี่นะ่ะทุกคนก็รู้ทังนั้นนะมันเมินะ่เน่ยไม่รู้จักทางไปนะเดี๋ยวนี้เราจะไปไหนนะ่ะสมมติว่าเมื่อมันแตกตายทําลายขันนะที่นี่เราจะไปไหนกันแน่เดี๋ยวนะี้มันมีแต่คนมาว่าเอานะเดี๋ยวนี่นะว่าแล้วไปสู่สุคติเนะีนะ่ยนะก็มีแต่ว่านะ แล้วก็มีแต่คนบอกว่าไปสู่สุคตินะ่ะคนที่ว่าก็ยังไม่เห็นสุคติคนที่บอกก็ไม่เห็นสุคติแล้วคนที่จะไปก็ยังไม่เห็นสุคติเราจะมีหรือไม่มีก็ไม่รู้นะเด็กก็บอกกันไปเตผืทเตผือเนะ่ะ ทีนี้มันมีแต่ความเมื่อแต่มันติดบังเอาไว้อยู่นั่นแล้วทีนี้มันจะไปอย่างไรทีนี้จะไปสุขติะแค่สุขตินะอย่าพูดถึงพระนิพพานเถอะแค่สุขตินี่มันก็ยังเมืดอยนะว่าสถานที่อยู่ของสุขตินั่ะมันเป็นอย่างไรที่ว่ามีความสุขอันยิ่ง ก็รวนแล้วแต่ว่าเป็นของทิพย์ที่อยู่ก็เป็นของทิพย์ที่เราเสวยก็เป็นของทิพย์ผ้านุ่งผ้าถือก็เป็นของทิพย์ร่างกายก็เป็นของทิพย์เนี่ยใครก็ว่ากันได้นะเดี่ยวนีใครก็พูดกันดังนั้นอ่ะเป็นของทิพย์นะ แต่มีใครเราไปเห็นนะแล้วมีใครเราผ่านมาบ้างได้ไปสเสวยมาแล้วแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังมีใครบ้างมันก็ไม่มีใครนะคือมันไม่มีใครเห็นนะมันก็มีเฉพาะแต่ว่าว่ากันเท่านั้นเองเราก็ได้แค่ว่ากันนะั่นเอ นี่มันความเมื่อแต่มันปิดบังเอาไว้นะมันไม่รู้จักทางไปนะเดี๋ยวนี้ก็ได้แต่ว่าเก็กตายทำลายขันไปแล้วก็ย่อมไปสู่สุคติกท น, นั้นใครก็ว่าไปสู่สุคติแต่สุคตินั้นอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้อยู่ที่ไหนเราก็หาได้รู้ไหม ที่นี่เราจะไปกันอย่างไรล่ะความรู้ของเราก็มีอยู่แล้วเนี่ยทั้งๆที่มันก็มีความรู้สมบูรณ์แต่มันก็ยังเมิดอยู่ที่นี่เราจะไปกันยังไงสุคตินั้นอยู่ตรงไหนที่เจรนาดูส ก็ดำเนินจิตของตัวเองให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิดูสิว่าการที่เราจะดำเนินไปถึงสุขตินั้นมันจะไปได้ไหมจะไปด้วยความวุ่นวายได้ไหมแล้วความสงบนี้จะสามารถที่จะทำให้เรารู้ รู้ในสิ่งที่เราจะไปนะ่ะจะได้ไหมนะ่ะอันนี้มันเป็นของหน้าคิดนะใ้เรื่องศาสนาเนี่ยเราก็รู้ว่าศาสนาดีล่ะและ้วก็เป็นของอเปิด จ, จริงนะ่ะเราก็เข้าใจกันนะ่ะเราก็นับถือกันมาตั้งแต่บรรพาวโรุษนะ์น่ะในเมื่อบรรพาวรจน์นันะ้นมันจีมาอาจีบรรพาวโรุษมาแล้วนะ่ะ ที่เมื่อท่านล่วงลับดับไปล่ะที่นี่เมื่อเราเห็นเห็นท่านทั้งหลายเหล่านั้น่ะที่ท่านล่วงลับดับไปแล้วน่ะใครเห็นเาะว่าท่านไปอยู่ตรงไหนท่านก็ถือศาสนาอย่างเรานี่ล่ะท่านก็ทําบุญเหมือนอย่างเรานั่นล่ะก็ให้ท่านรักษาศีล ก็จเจริญเมตตาภาวนาเนี่ยนะแต่เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วน่นะมีใครเราไปเห็นเดี๋ยวไม่รู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าท่านอยู่ใกล้หรือว่าท่านอยู่ไกลเราก็หาได้รู้ไม่อีกละ่ะแต่เราเนี่ยจะไปหาท่านหรือเปล่าล้วลหา บ, บรรพบรุษเราหรือไม่ แล้ว บ, บรรพวุลุกของเราจะอยู่ตรงไหนปูญย่าตาทษของเราเน่ลยปู่ย่าตาทษของเราไปอีกแล้วก็เลยไปอีกไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนสแล้วท่านจะให้ปรากฏแกเราท่านผู้ที่จะมาปฏิบัติเมื่อภายหลังได้อย่างไรแล้วปฏิบัติกันที่ไหน มันเป็นปัญหาอยู่นอนนี้นะ่ะเราก็ต้องคิดให้ดีนะ่ะแต่ว่าท่านจะมาให้เห็นด้วยตาเนะ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้ยิงนะ่งละจะเห็นด้วยตาเราก็ต้องกลัว ก, กันทั้งน่้นลนะเราก็ต้องว่าเป็นที่หลอกแต่ว่าการเห็นนั้นนะ่ะตามที่พระพุทธองค์นะนะั่นน่ะที่ท่านเห็นว่ามาเบื้องแรกเบื้องต้นนะ ก็เห็นด้วยตาในนะที่เรียกว่าภูเพนิวาสานุสติยันหรือว่าจูตูปตะยันพระองค์เห็นตาในนะเห็นในเรื่องสุขติน่นะที่พระองค์ได้สวยมาแล้วได้อยู่มาแล้วนะก่อนที่จะมาตรัสรูนะ้เนี่ยก็มาจากสันโดษเนะี่ย ก็อลอยไปนั้นนะ่ะนรกเราก็เคยไปตกมาแล้วเนี่ยเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรเป็นสัตว์เ ด, เดรัจงเดรัจฉันก็เคยเป็นมาแล้วน่ยก็พระองค์น่ะรู้รู้มาก่อนอยู่ปปตัวปฏิยานก็รู้จักสาตว์คบของสัตว์จะติจากนั้นตายจากนั้นเกิดเกิดเป็นนั้นไปเกิดเป็นนี่น ก็พราะพุทธเจ้านะเป็นผู้รนะู้เป็นผู้เห็นไม่ใช่ว่าเห็นตานอกที่นก็เห็นตาในแม้กระทั่งถึงบรรพบุรุษของท่านแม้ถึ ง, ก ร, งกระทั่งถึงตัวของท่านที่สวยเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ย ที่เป็นนภอธิสัตว์คงจะค่ายว่าเป็นบรรพบุรุษของท่านเหมือนกันนะเพราะชาตินั้นท่านเป็นเป็นนั้นเป็นเจนีมใบบ้างเป็นจนทกุมารบ้างเป็นมหาศสันดิตบ้างเป็นภูริธาตบ้างเป็นเวศสัน德拉บ้างก็คงจะเป็นบรรพบุรุษของท่านท่านก็เห็นอย่างนั้นนะ คือเห็นด้วยตาไหนแล้วก็ท่านก็จึงได้มาอุตสาหพยายามค้นหาต้นเหตุแล้วนะก็เลยหนีอ่ะก็นี้จะความเกิดนั่นแหละที่นี้พวกเรา่นี่ะจะมาเห็นด้วยตานอกนะ่ะเป็นแต่เพียงว่าเราได้ศึกษาได้ยินตำรับตำาราหรืออ่านตำรับตำราได้ยิน คำคนอื่นเขาเล่าหรือเขาว่าแต่ศรัทธาเรามันก็มีแต่ว่าความเชื่อมัน่นในศรัทธาของตัวเองที่จะ น, นําผลในตัวเองได้ไปถึงที่อันที่เราปรารถนาะที่เราต้องการแค่สุขตินั้นมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่ตำราว่าหรือไม่เหมือนอย่างกับคนอื่นที่เขาว่าหรือไม่ ข้อนี้ก็ให้พิจารณาด้วยตนของตนเองบ้างสิการเชื่อของตัวเองก็ให้มันเชื่อมีปัญญาบ้างสิเชื่อให้มันมีเหตุและมีผลบ้างถ้าเราไม่เชื่อถ้าเราไม่มีเหตุมีผลเนี่ยก็จะไปเชื่อเอาเลยแล้วเราก็ไม่กระทําตามอีกละ่ะถึงจะเชื่อจะเชื่ออยู่ แต่การทำตามเราก็ไม่กระทำอีกแ ล, และเราก็ไม่ปฏิบฏัติอขนที่มันจะเกิดขึ้นมาเพื่อตอนของตอนน่ะนะมันจะเกิดขึ้นได้โดยวิธีไหนมันจะเกิดขึ้นได้โดยวิธีที่เราไปอ่านมาหรือมันจะเกิดขึ้นโดยวิธีที่เราได้ไปพูดไปคุยกันมาหรือ หรือเราได้ยินได้ฟังจากคนอื่นเขาพูดเขาคุยมาหรือมันจะเกิดโดยวิธีนั้นหรื อ, อยังไงมันเกิดขึ้นโดยวิธีที่เรามาปฏิบัตกิกำหนดจิตใจของตัวเองให้เข้าไปสู่ในถ้ำกลางทรวง อ, อกของเรา ให้เข้าไปสู่ในถ้ำกลางท่วง อ, อกของเราดําเนินความสงบเข้าไปสู่ถ้กากลางท่วง อ, อกของเราเมื่อความสงบมันเกิดขึ้นตรงนี้ละ่ะกาในน่นะคือความสว่างสวัยในตัวของเขาเองน่ะแล้วมันก็จะบังเกิดขึ้นบ้าง พอที่จะมองเห็นว่าช่องทางอันที่เราจะไปข้างหน้าน่นะว่าเราจะต้องไปตรงนี้แ่ะแน่นอนละเราก็จะได้รับรองตัวของตัวเองบ้างสิอันนี้มันไม่มีอะไรเลยนะแต่เรื่องศรัทธาของเราท่านทั้งหลายนั่นยกให้ แม้กระทั่งถึงการบาเพ็ญบุญกุศลของปกทันทั้งหลายก็ยกให้การเสียสละคือการให้ทานก็ยอมเสียสละจริงๆอันนี้เราก็พร้อมสมบูรณ์แต่ว่าความสงบเนี่ยอันที่จะเป็นประโยชน์เนี่ยประโยชน์ก็ตัวเองน่ะนะ เราจะไปคอยวันคอยคืนเนี่ยจะไปคอยคนอื่นเขาทำให้เนี่ยมันก็ยากนะเพราะมันเป็นเรื่องของใจเราแล้วจะให้คนอื่นเขามาทำให้ใจเราสงบเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเราก็ต้องทำเอาด้วยตนของตนเองนักคราชบัณฑิตท่านกบ็บอกเอาไว้แล้วเนี่ย ก็คือมากำหนดจิตกำหนดใจของตัวเองเนี่ยอันที่มันมีอยู่ภายในของตัวเองก็มันมีกันแล้วทุกคนไม่ใช่หรือหรือว่าไม่มีก็มันมีอยู่แล้วเนี่ยเราก็กำหนดเอาสิเราก็หาเอาสิเราก็ทำให้มันสงบสิเราจะเอาอะไรละไปให้สงบแล้วจะไปสงบแล้วอยู่กับใครละ ก็เอาอ ง, งส์สมเด็จพระภูมีพระภาคเจ้าเลยคือพระพุทธเจ้านั่นนะคือพุทโธนั่นนะนนะก็เอาเขานั่นแ่ะไปพักอยู่กับพระพุทธเจา้าและเอาพระพุทธเจา้าน่ะไปอยู่กับเขาบ้างสีแค่เราเนึกพุทธโธเท่านั้นนะกำหนดพุทธโธเท่านั้นนะเอาพุทธโธเข้าไปก่อนสิ แล้วพุโทโธนั่นจะมีคุณค่าอย่างไรคุณค่าของพุโทโธจะมีไหมพระพุทธเจ้าเน่ะคุณค่าของพระองค์มีอีกเท่าไหร่ล่ะพระมาหากรุณาธิคุณของพระองค์มีเท่าไหร่คุณค่าของพระพุทธเจ้านั่นน่ะนะ ไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบได้นะสามารถที่จะคุ้มกันนะอันความชั่วที่จะเกิดขึ้นจากเราได้พระองค์กันได้หมดนะั่นแหะสิ่งที่จะมาทำอันตรายพระพุทธเจา้ทาทัเกหมกันเอาไว้หมดเนอะกขอให้พระพุทธเจ้าอยู่ก็เราจริงๆขอให้เรานั้นอยู่กับท่านจริงๆ การอยู่กับพุทธโธไปถ้าอยู่กับพุทธโธล่ะท่านจะคาอยู่ด้ยวยความมืดเถออยู่ด้ยวยความมืดคุณนะสมบัติของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีอะไรพุทธเจ้าก็เลยกำจัดความมืดไม่ได้ก็พุทธโธก็แปลว่าผู้โลนะ พุโทโธก็แปลว่าผู้ตื่นพุโทโธก็แปลว่าผู้เบิกและผู้บานทั้งเบิกกับทั้งบานก็คุณค่าของพุโทโธคุณค่าของพระพุทธเจ้าไม่ใช่หรือแต่เราจะเข้าถึงหรือไม่และท่านจะเข้าถึงเราหรือไม่ท่านะก็โดยมากก็มักจะไปเอาเรื่องอื่นนะ เรื่องของบุพเดชเจ้านี่โดยมากก็มักจะไม่ค่อยสนเน่ะไปเอาเป็นคอดๆ อ, อย่างนั้นอย่างนี้ไปเป็นจังหวะจังหวะที่นี่แทนที่มันจะไปจังหวะเดียวให้เนี่ยมันลงไปเลยเนี่ยเราก็เอามันเลยซะก็จะไม่ดีหรือหรือว่ามันเป็นยังไง ก็ลงไปหาสู่จุดแห่งความสงบอันที่สุดของความสงบแล้วล่ะแล้วมันจะไม่ดีหรือนี่เราก็จะไปพักอยู่ตรงนี้บ้างสถานีนี้บ้างออกจากจากสถานีนี้ก็จะไปสถานีนั้นออกจากจากสถานีนั้นไปสถานีนั้นแล้วก็วกกลับมาสถานีเก่าอีก ลอกลงก็เลยไม่ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางแ ล, แล้วเอามันทีเดียวเลยจะเป็นอะไรลนะ่ะพุโทโธกับพุโทโธไปเลยสงบไปมันสงบไปเลยเนะี่ยมันจะเป็นคณิกะหรือเป็นอุปจระอันนากับให้มันเต็มลงไปเลยมันจะเป็นอะไรลนะ่ะจะรู้จะเห็นอะไรนะ่ะ มันจะเห็นอะไรก็มันเป็นเรื่องของมันมันจะรู้อะไรกับเป็นเรื่องของมันสิก็เรื่องของจิตนี่ก็เราก็อย่าไปกลัวในสิ่งที่เราจะไปรู้ไปเห็นสิแล้วก็ในความสงบนั้นก็ต้องการความสงบเนี่ยเอาความสงบสะก่อนมันไม่ได้เสียหายหรอกแต่ก็จะให้มันสำเร็จอ่ะมันก็ไม่ได้สำเร็จง่ายๆหรอกพอลงไปทีเดียวกจะให้มันสำเร็จเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอก พอจะสำเร็จได้ในเรื่องของกิเลสเนี่ยจะเอาอะไรมาปราบมันวามันไม่มีอะไรปราบครับก็มีคุณธรรมเท่านั้นละ่ะคาที่เราว่าพุโทโธเนี่หละ่ะก็มีพระพุทธเจ้าเท่เาทนั้นแหละที่จะปราบกิเลสได้ที่ เ, เราเคยได้ยินได้ฟังที่ไหนบ้างหรือว่าเขา าบาจิเล่คนอื่นที่เขาปราบจิเล่ที่จะทำให้สำเร็จที่ไหนมีเราก็อ่านจะตำราของพระพุทธเจ้าผู้ที่จะได้สำเร็จเป็นอรหันต์อรหันต์ก็จากพระพุทธเจ้าอาศิติมหาสาวกสาวกทั้งแปดสิบองค์ด้วยเอตัคคะต่างๆกันน่ะ ก็ใครเป็นผู้บาปที่เหลือไดนะ้พระพุทธเจ้าไม่ใช่หรือพระองค์นั่นล่ะเอามีอะไรล่ะไปิดากมีสตราอาวุธอะไรก็มีแต่ว่าให้กำหนดจิตแล้วกำหนดใจดูจิตดูใจของตัวเองเท่านั้นล่ะที่มันเป็นมาอย่างไงทําให้มันมีความสงบตั้งมัน่นเป็นสมาธิ พิจารณากำหนดในขณะนั้นแล้วญาณปัญญาก็เกิดขึ้นแล้วก็ยังให้ความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นได้โดยง่ายๆในสมัยนั้นถ้าองค์ไม่ได้เอาสตราอาวุธไปปราบกิเลสนะเอาศีลเอาธรรมนะเหมือนก็เรามานั่งฟังแนี่แหละถ้าเป็นครั้งพุทธกาลนะถ้ามีพระพุทธเจ้าออมาแสดงและ เราก็มาฟังกันที่มีความเรียบร้อยอย่างนี้นะจะคิดว่าคงจะมีความสำเร็จไม่มากก็น้อยละ่ะไม่น้อยก็มากอ <c oughs> ถ้าครั้งพุทธการนะถ้าพระพุทธเจ้ามาแสดงจริงๆนะอันนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าอันนี้มันเป็นพระสอง แล้วก็ได้นำเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าเรามาสอนอีกทีหนึ่งแล้วก็มาพาทำอีกทีหนึ่งคนไหนที่จะได้ก่อนหรือเป็นไปก่อนสําเร็จไปก่อนก็จะได้อานุโมทนาสาธุการไม่ได้ขัดข้องผู้ที่จะเป็นไปตามหลังก็เป็นไปตามหลังผู้ที่ยังไม่ได้ก็เอาไปพิจารณาเพื่อปฏิบัติไป คนที่ได้แล้วก็ได้เพื่อสิก็เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เลือกบุคคลอยู่แล้วเนะี่ยผู้สอนก็ดีผู้ทำก็ดีไม่ได้เลือกว่าจะจะสำเร็จจะเฉพาะผู้ที่สอนแล้วผู้ที่ฟังไม่สำเร็จและไม่ได้ประโยชน์อะไรมันก็ใช่ไม่ได้สิงคำสอนของพุทธเจ้าก็เสียหายหมดสิผู้ที่มาฟังก็เลยไร้ประโยชน์ หาประโยชน์อะไรไม่ได้ก็จะมามาทำไมอันนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นใครทำได้ก็ทำไปใครจะสาเร็จก็สาเร็จไปใครจะไปถึงจุดหมายปลายทางก่อนก็ไปถึงไปไปได้ใครจะรู้เห็นไปก่อนในเรื่องสวรรคติก็ก็รู้ไปได้ แม้กระทั่งถึงทุคตินรกเปรตอสุรกายสัตว์เด ร, าารัจฉานก็รู้ไปสิก็เห็นไปสิมันก็จะเป็นอะไรเห็นเฉยๆมันเป็นอะไรแต่มันเห็นทางในเราจะไปคุยใครมันก็ยากสิเป็นแต่เพียง ว, ว่าเรารู้เราเห็นเพื่อความเป็นจริงตามคาสอนของบุคธเจ้าแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติตามเท่านั้น ความหมายมันก็เป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าจะเอาไปอ้างสําเร็จแล้วก็จะเอาไปอ้างมันก็ไม่ใช่แต่พูดการพูดกันโดยแลกเปลี่ยนความเห็นกันเป็นของธรรมดาในเมื่อที่เราได้ประสบพบเห็นด้วยกันแล้วแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันมีความเห็นเป็นยังไงยังไงก็พอพูดกันได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะ พอจากนั้นก็ต่างคนก็ต่างปฏิบัติกันไปสิสก็ดำเนินจิตของตัวเองไปสิมันจะหมดก็ให้มันหมดไปฏิตไปเสียดายามันอยู่หรอเสียดายามันอยู่ก็ไม่รู้จะมา ท, ำทำมําทําไมแล้วก็ไม่รู้จะภไยปฏิบัติกันทําไมนี่เรให้พากันเข้าใจกันบ้าง มันเป็นเรื่องของเราโดยเฉพาะที่จะต้องทําความสงบให้บังเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาทั้งหลายอันมันเกิดขึ้นจากเรามีแต่ปัญหาทั้งนั้นอะไรอะไรกับปัญหาทั้งนั้นล่ะดีกว่าปัญหาก็เรียกว่าปัญหาทางดีร้ายกว่าปัญหาก็เรียกว่าปัญหาในทางร้ายมันก็เกิดขึ้นในนั้นละ่ะขอความมุ่นวายจากตัวเองเทานั้น ยงเงาองสมเร็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคือพุทโธ น, นะเข้าไปแล้วครับเมื่อพระพุทธเจ้าเข้าไปแล้วนะี่นทย ท, าาท่านปราบมดกิเลสประเภทไหนก็ตามท่านปราบมดน่่ะถ้าท่านเข้าไปนะีแต่เดี๋ยวนี้ท่านไม่เข้าไปแล้วเราก็ไม่ได้เอาท่านให้อยู่กิเลสมันก็เลยมาก มันเลยเห่อเหื่อมันนะก็เลยกลัวจะตายจังนะหมดทางก็คือกลัวตายจังไอ้กลัวหรือไม่กลัวนะไอ้มันไม่เลยสนเรื่องตายนี่ยนะยิ่งกลัวนะมันยิ่งตายไว้เรื่องมันเป็นอย่างนั่นแหละกลัวมันก็ตายไม่กลัวมันก็ตายถ้าเราได้แล้วเนยจะไปกลัวอะไรกับมันอ่ะมันจะไปวัดไหนก็ไปสิเพราะมันเป็นหน้าที่ของเขาล่ะ ถึงเวละของเขาแล้วเขาก็ต้องไปตามหน้าที่ก็ปล่อยมันไปเลยที่ขอให้ใจของเรานั้นมีความสงบสุขตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วเราก็ปล่อยวางไปตามสภาพของขันแล้วส่วนภาขันในนั้นคือหัวใจของเรานั้นก็ให้มีปกติแล้วก็มีความสุขเมื่อมันแตกดับในขณะนั้นนั้นละ่ะถ้ายังไม่ถึงที่สุดก็คือสุขติ เป็นหวังได้เราก็ควรที่จะคิดเอาอย่างนี้กันเสียบ้างดังนั้นที่บรรยายมาก็สมควรแก่กระเวลาขอหยุดติเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เอว่างก็มีด้วยเปิดการละชนี